นี่ก็จวนจะออกพรรษาพระนวะกะทั้งหลายก่อให้ทั้งอกทั้งใจนะั่น่ะจนถึงวันสุดท้ายการมาบวชในวัดวาศาสานาบางสิ่งบางอย่างจะให้ได้อย่างใจของเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้คนเราเขามาบวชเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยขัดเกลากายวาใจาใจของเราให้เป็นตามแถวแนวของพระแต่ถ้าอยากจะให้ได้อย่างใจของเราเราก็ไม่ควรจะบวช อันนี้เมื่อเราจะมาฝึกหัดขัดเกลากายว่าจาใจของเราตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ถือกันมาแต่โบโบราณปู่ย่าตายายเมื่อเขามาบวชก็ต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่กฎของผมไม่ใช่กฎของครูบาอาจารย์เป็นกฎของพระพุธทธเจ้าเราต้องศึกษาอ่านดูในพระไตรปิฎกจะเห็นได้ชัดเจนครูบาอาจารย์ก็อยู่ในกฎนั้นเหมือนกัน แต่และองค์จะอยู่ในกฎเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าจะองค์ไหนที่จะเหนือกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้โดยพระราการใช้อำนาจวาสนาไม่ใช่อย่างนั้นทุกองค์ก็อยู่ในกฎพระหนุมพระน้อยบวชก็มาก็อยู่ในกฎพระเทระผู้ใหญ่ก็อยู่ในกฎพระเทระอนุเทระอยู่ในกฎเกณฑ์ทั้งหมดกฎเกณฑ์คือพระวินัยที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติอันนี้ก็ะวนจะออกพรรษานี่ก็ผมว่าทางว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้สนใจ ฝ่ายในการศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพระธรรมคำสั่งสอนที่พวกเราได้ศึกษาที่ได้ฟังเทศถ้าเอาจริงเอาจังปฏิบัติจริงจังผมว่าธรรมะที่เราได้บวชในพรรานี้คงจะอยู่ในใจของพวกท่านนานพอสมควรแต่อันนี้ก็เป็นตามแต่ละบุคคลเหมือนกันนะเพราะการบวชของวัดของเราเนี่ยก็มีหลายรุ่นแต่ละรุ่นขีดความสามารถแต่ละองค์ไม่เหมือนกัน แต่บางองค์พอศึกไปแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องย่งน่านับถือแต่บางองค์ก็หายต๋อมไปเลยบางคนพอได้ยินข่าวก็นุ่นกินเหล้าเมายาอะไรทุกอย่างสรุปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะเอาชนะใจตัวเองได้แต่บางคนเมื่อลาศิกขาไปแล้วก็เอาธรรมะเขามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองเป็นคนดีรู้จักศีลธรรมเอาศีลธรรมมาประคับประคองกายวาจาใจของตนเอง ทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ออกนอกรูนอกทางพ่อแม่พี่น้องแต่ก่อนเขาเห็นเขาก็ไม่สบายใจแต่พอศึกออกไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเห็นเขาก็บอกว่าออเปลี่ยนไปเยอะอย่างนั้นก็มีเปลี่ยนไปในทางที่ดีว่างั้นเถอะแต่บางคนก็กลับมาแล้วเป็นไงบอกว่าดีแต่ไหม่ใหม่ใหม่ม่พอศึกออกไปนะโอ้โหก็อุ่น อ, อกอุ่นใจสบาย อ, อกสบายใจพ่อแม่พี่น้องเพืลินฝูง พอสองสามเดือนต่อไปเป็นหลังหมีหลังหมาอย่างเก่างั้นเถอะดาปิดปีอย่างเก่าเพ้อเผออาจจะหนาแน่นขึ้นไปกว่าเก่าอีกว่างั้นเถอเพราะนั้นพวกเราทุกๆุกท่านนะที่พูดทางนี้ทางนั้นก็เป็นการเตือนย้ําให้พวกเราําเหนียกจํานึกไวสิ่งไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปคิดริทําขึ้นมาเรามาอยู่สามสี่เดือนเนี่ยมาอยู่ในวัดเนี่ยเหมือนกับเราหนีออกจากควันไฟ สมัยเราเป็นครว่าต์เราก็มวมสุม่มด้วยหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะคิดไม่มีเวลาที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเองพอไปทำงานมาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ล้มหอนนอนหลับไปตื่นเช้าก็ไปทำการทำงานต่อเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่บัดนี้พวกเราได้มาบวชในพระพุทธศาสนาสามสี่เดือนเนี่ย เราก็ควรจะเพ่งมองไปในอดีตสมัยเมื่อเราเป็นครวตัตว่าเมื่อเป็นครวตัตนี้เราทําอะไรบ้างที่มันไม่ถูกไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเมื่อเรากลับไปเป็นครวตัตอีกเราจะปรับปรุงแก้ไขตัวเองอย่างไรให้มันเหมาะให้มันควรแล้วก็ควรจะมีความสัตย์จริงกับตนเองอย่างเข้มงวดสิ่งเหล่านี้ผมอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายคิดทบทวนดูเพราะว่าการเป็นอยู่ทุกอย่างไม่ใช่ว่าทําเป็นวั น, วน เห็นเขาทำาก็ทำไปเห็นเขาบวชก็บวชไปโดยไม่มีจุดยืนอะไรไม่มีสิ่งที่จะมาคัดเกลากายวาจาใจของตนเนี่ยผมว่าเขาคงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะแต่ถ้าว่าพวกท่านได้คิดเตรียมตัวเอาไว้มองเอาไว้เมื่อเราเป็นครวดเราควรจะทำยังไงเรามีครอบครัวเราจะทำยังไงเราเป็นผู้ใหญ่เราจะทำยังไงเมื่ออายุแก่เท่าชราแล้วเราควรจะทำยังไง ผมว่าสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายควรจะวางแผนเหมือนกันนะไม่ใช่แต่เฉพาะพวกท่านอย่างเดียวอย่างผมหนึ่เหมือนกันผมก็วางแผนเหมือนกันนะขั้นตอนในการเป็นอยู่จะทํำยังไงไม่ใช่ว่าจะอยู่เป็นวันๆไปอย่างนั้นไม่ใช่เราเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนเกี่ยวข้องกับญาติโยมมากน้อยอย่างไงแค่ไหนเราควรจะวางแผนยังไงต่อสิ่งเหล่านั้นจะไม่ให้ทับผมตนเองจนมากเกินไป ตัวเองจะไม่แบกจนหนักเกินไปจนหลังหักเราก็ไม่หลกเขาจนเกินไปจนไม่รู้จักรับภาระในชุมชนสังคมสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องได้วางได้คิดไว้เหมือนกันความเหมาะสมมากน้อยอย่างไรแค่ไหนสำหรับหมู่พกเพื่อนที่มีอายุพรรษาที่เข้ามาศึกษารุ่นใหญ่จนถึงรุ่นน้อยผมว่าก็ควรจะให้คิดเหมือนกันนั่นการวางแผนแปลนของตนเองแต่ถึงอย่างไงก็าตามแปนแผนนั้นมันเป็นที่สอง ความมุ่งมั่นที่จะชำระกายว่าใจาใจของตนให้หลุดพ้นจากกิเลสนั่นแหะเป็นแผนที่หนึ่งแต่ถ้าว่าเราชำระใจได้หมดจดจากกิเลสแล้วนั่นละ่ะแผนอื่นไม่มีปัญหาว่างั้นเถอะแต่ถ้าว่าแผนตัวนี้ล้มเหลวแผนอื่นจะดีขนาดไหนก็เถอะก็ยังเป็นแผนรองไม่ใช่แผนเอกเพราะฉะนนั้นการวางแผนฆ่ากิเลสในหัวใจของเรานั่นน่ะเป็นแผนอันดับหนึ่งชั้นหนึ่งสำหรับพระปฏิบัติ ถาาว่าชำระใจของตนเองบริสุทธิ์หมดจดไปแล้วนั่นะเลิศประเสริฐแต่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นเราอยู่ในโลกวัฏสงสารก็ควรจะคิดอ่านไตรตรองดูให้ดีนั่นแหละโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพวกท่านพระนว ก, กะทั้งหลายเนี่ยที่จะไปเป็นครวาต์อันนั้นต้องคิดให้ดีและเมื่อขณะที่มาบวชเป็นพระ ผมก็ไม่ได้มั่นใจว่าพวกท่านทั้งหลายจะมาเห็นวัดวาศาสน า, สนาเห็นผมก็ดีเห็นหมู่พกเพื่อนก็ดีเห็นศรัทธาญาติโยมก็ดีเห็นใครใคหมู่พกเพื่อนด้วยกันก็ดีจะเป็นที่พออกพอใจของพวกท่านทุกอย่างผมคิดว่าคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะการอยู่ด้วยกันการศึกษาการเป็นอยู่ตระกูลความฉลาดความสามาแปลกแตกต่างกันเพราะนั้นจะให้เสมอกัน ให้เป็นที่อันนั้นกันคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถึงอย่างไงก็ตามในหลักของพุทธศาสนาการเข้ามาบวชในพุทธศาสนานั้นเหมือนกับดอกไม้นาน า, นาพันธุ์มีสีเหลืองสีแดงสีแสดสีอะไรผสมประสานขละกันแต่ในช่างมาลาการผู้ฉลาดแล้วเก็บดอกไม้เหล่านั้นมาล้อยเป็นพวงมาลัยมันขลากันพวงมาลัยนั้นก็จะสวยงามมันว่าอย่างนั้น อันนี้ก็เหมือนกันพระบวชในพุทธศาสนาเพลักษณะนั้นอะ่ะขีดความสามารถไม่เหมือนกันพวกเราควรจะรู้ควรจะเข้าใจถ้ามันเหมือนกันเกรดเดเสมือนกันมันก็ดีบีเสมอกันมันก็ดีแต่นี่มันคละเคล้ า, ากันเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านตั้งพระใหม่พระเก่าอย่างผมน่ยผมมองอยู่แล้วผมทำใจทุกอย่างสำหรับหมู่พวกเพื่อนสำหรับผมผมไม่มีอะไร พูดไปตามหลักธรรมวินัยรับมาด้วยความรักเมตตาไม่มีอย่างอื่นแต่พวกท่านทั้งหลายเขามาบวชเนี่ยบางคนก็โกรธให้หมูหัวฟัดหัวเวียงแต่ตามไม่จริงก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกับเรามาบวชในพุทธศาสนาสามสีเดือนเราไม่ได้มาบวชเอาสิ่งเหล่านั้นจุดมุ่งหมายที่การบวชของเราคืออะไรเพื่อศึกษาเพื่อฝึกหัดเพื่อขัดเกลากายวาใจาใจของเรา ให้เป็นคนดีให้รู้จักศีลธรรมแต่บัดนี้เราเข้ามาบวชแล้วทำไมจึงเอาสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาอยู่ในใจของเราถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับแ ม, มลงผึ่งแมลงผู้ไปตอมเกรสรดอกไม้ทั้งที่จะเอาแต่น้ำหวานหวานที่เกิดประโยชน์สำหรับรวงรังของตนเองเกิดประโยชน์สำหรับตนเองกลับไปกัดเอาหาักแกวหลักฝอยเปลือกกะพี้ของที่ไร้สาระไร้ประโยชน์ เอาไปในลวงลังของตัวเองก็มีแต่พึ่งตัวอื่นเขาจะดูถูกเหยียดหยามว่าพึ่งงานตัวนี้แย่มากทั้งที่จะเอาประโยชน์มาเลี้ยงลวงเลี้ยงลังกลับไปเอาเปลือกกระพีของต้นไม้มาใส่ลังให้ลกลุงลังไปอีกนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเป็นศาสนาเลิศประเสริฐที่ชําระกายวาจาใจ ผู้ที่ทําได้สำนักกายวาจาใจนั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นที่ยอมรับกราบไหว้สักการบูชาอย่างพวกเราเห็นเนี่ยญาติโยมเห็นก่อนนั่งประนมมือกราบไหว้ด้วยความสนิทใจทั้งที่เราเป็นคนเหมือนกันแต่เขาทำไมจึงกราบลงได้เขาจึงมากราบได้เพราะกราบผู้มีศีลนั่นเองเพราะนั้นในขณะที่เรามาบวชเราเป็นผู้มีศีลมาศึกษาแล้วก็นเอาทำคําสั่งสอนที่มีประโยชน์ที่มีสาระเหมือนกับ เยสันดอกไม้ที่เป็นน้ําหวานนั่นน่ะนิดหน่อยพวกพึ่งทั้งหลายเอามาพันๆๆใส่ขาแล้วกันบินไปทั้งดูดด้วยทั้งพันใส่ขาด้วยน้ําหวานจากนั้นเกาไปเลี้ยงลงลังก็อย่างที่พวกเราเห็นนั่นจากนั้นก็เป็นหัวน้ํำซึบปักใหญ่เลยเพราะความหมันขยันนี้ก็เหมือนกันนั่นน่ะพวกเราเขามาบวชในพุทธศาสนาในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าเอาไปนะทิ้งให้เลือกสรรในสิ่งที่ดี ต้องใช้ปัญญาเอาสิ่งที่ดีไปให้เกิดประโยชน์สำหรับตนเองไม่ว่าสถาบันไหนๆนะ่ะมันมีทั้งหมดนั่นนะมหาวิทยาลัยไหนๆก็มีมีสิ่งที่มันชั่วช้าเร็วซามพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เรารับประกันไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งที่มันไม่ดีจะไม่เกิดขึ้นแต่ข้อสำคัญก่อนเน่ผมก็ชี้แนะให้แก่หมู่พวกเพื่อนฟังเทพนะหนังสือนะธรรมเทศนานะครูบาอาจารย์ ศึกษาให้เข้าใจฟังธรรมะให้ฟังหลายลดหลายชาติดูพระไตรปิดกนะพยายามศึกษาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้คือคือผมซี้ให้หมูพวกเพื่อนได้ศึกษาไม่ให้ฟังจุดเดียวมองมุมเดียวมองหลายหลาย ม, มุมหลายหลายด้านคือให้เปิดใจกว้างใ้เมื่อพวกท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากนั้นเมื่อได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วจะนํามาประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิ เดินจงกรมเอาจิงเอาจังผมว่าผลที่เกิดจากการกระทำจริงจังของพวกท่านอ่ะจะประทับใจไปนานทีเดียวถ้าหาว่าพวกท่านเข้ามาแบบไม่ได้คิดอะไรเหมือนกับเข้ามาแล้วติดคุกติดตารางเหมือนกับถูกญาติพี่น้องขังไว้ในวัดหรือเหมือนกับครูบาอาจารย์บีบ ต, ตัวเองอย่างนั้นแปลว่าถึงจะอยู่นานเท่าไหร่ก็มีแต่ความอึดอัดมีแต่ความทุกข์กระทมในจิตใจสวนลึก แปลว่าการบวชก็มาคราวนี้แปลว่าเปล่าประโยชน์อย่างมากไม่ได้ขุนและยังได้โทษอีกต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในใจของเราเพราท่านทั้งหลายทุกๆองคนะในตั้งอกตั้งใจนําธรร ม, มะที่เราได้ศึกษาในปฏิบัตินี่นะไปกั่นกรองไปไต่ตรองใช้ปัญญาพิจารณาแล้วผมว่ามันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่าไม่ใช้ปัญญาเนี่ยมันจะคิดแบบสั้นๆคิดไม่กว้างๆเพาะฉะนั้น ในหลักของพุทธศาสนาท่านกน็ไม่ได้แนะนําสั่งสอนในบทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแล้วท่านยังพูดอีกว่าที่ท่านนํามาสั่งสอนเนี่ยถึงจะเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันก็เถอะที่พระพุทธเจ้าโล ก, กวิทูรู้แจงโลกนะั่นะแล้วท่านนํำทำคําสั่งสอนออกมาสอนพวกเรานะัเนี่ะท่านเอาทั้งหมดนะเหอามาสอน พระพุทธ อ, องค์บอกว่าไม่ใช่ถ้าเปรียบเหมือนกับใบไม้ในจั ก, กรวาลท่านออกมาสอนเพียงกํามือเดียวในแปดหมนสี่พัระธรรมขันธ์นั่นเหมือนกับใบไม้อยู่ในกํามือเดียวมาสอนพวกเราน้อยมากถ้าน อ, อกจากนั้นไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์บางสิ่งบางอย่างถึงจะรู้ไม่เกิดประโยชน์แล้วยังมีโทษอีกเพราะนั้นท่านจึงไม่ได้นํามาสอนพวกเรานำติดสิ่งที่มีสาระที่เป็นประโยชน์มาสอนภิกษุสัมเอ็ น, นอุบาสกอุบาสิกา ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาพุทธบริษัทของพระองค์อย่างทานอย่างนี้มีประโยชน์อย่างไรเนี่ยผมก็เคยอธิบายให้หมู่พวกเพื่อนฟังแต่ในหลักธรรมนัก็มีอธิบายอย่างกว้างขวางอันนี้สงทานการทําบุญทําทานทําไมจึงทานฐานะทําไมจึงให้จากนั้นผมก็ได้เอามาทำคําคสั่งสอนที่ได้ศึกษามาเผยแผ่มาขยายผลอีกให้พวกเราฟังจนบอแรงเหมือนกัน ศีลก็เหมือนกันมีคุณค่าอย่างไรสําหรับพวกเราจะต้องศึกษาต้องรักษามีประโยชน์อะไรบ้างจึงมีความจําเป็นมากเฉีิ่ดเลอที่จะต้องรักษาศีลศีมีความจําเป็นอย่างไรทักษาแล้วเพื่อใครอันนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังศีลทุกอย่างเพื่อตนเองชำระ ก, กายวาจาของเราให้เรียบร้อยคนที่มีศีลไปสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอหนึ่งสมาธิ ทำจิตให้สงบและมีคุณค่าอย่างไรสาหรับตัวของเราถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านคิดไปมีที่จอดที่ยับยัง้งคิดเรื่อยเปื่อยไปหมดและจะเป็นยังไงที่คนขาดสติมากๆอันนี้ก็ว่าบาบ้านเรื่องสมาธิยังจะเป็นสิ่งที่ควรจะฝึกไว้เหมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาอันนี้คือมรรคแปดในหลักของพระพุทธศาสนา มัคคปฏิปทามัคคะคือเป็นหนทางเดินมัคคามัคคะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรนอันนี้คือเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเขียนแผนที่ให้พวกเราได้ก้าวเดินไปหาพระธรรมคําคสัง่งสอนคือมัคแปดอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมัคอันนี้ก็เป็นเครื่องแก้ เป็นเครื่องชำระใจของเราอาการของจิตอันนี้มันอยู่ในใจอยู่ในจิตในใจอยู่ในผู้รู้คำว่าทุกข์มันมีทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจด้วยทุกข์ทางกายอย่างที่พวกเราเห็นหิวกระหายอุ จ, จะลระปัสาวะนอนอย่างเดียวไม่ได้นั่งอย่างเดียวไม่ได้ยืนอย่างเดียวไม่ได้เดินอย่างเดียวไม่ได้มันเหมือนกับของร้อนอยู่ในฝ่ามือข้างหนึ่งโยนมาข้างหนึ่ง มันร้อนขึนหนึ่งก็โยนไปข้างหนึ่งโยนไปโยนมาโยนมาโยนไปนเพื่อหาความสุขจนถึงวันอวสานของชีวิตวันตายและจริงจะจบเพราะนั้นกายความทุกข์ของกายอย่างที่พวกเราเห็นไม่มีใครที่จะมีความสุขเป็นอนันตการเป็นไปไม่ได้ความทุกข์ทางใจอีกแต่ไหนความพัดพรากความไร้มาไม่พ อ, มพอใจความพอใจไม่พอใจการได้ยินกาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามาสู่จิตใจของเรา ใจของเราก็มีความทุกข์เพราะนั้นทุกกายกับทุกใจมันมีความทุกข์คำว่าทุกข์พระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วให้กําหนดรู้วันนี้คือทุกข์แล้วทุกข์มันมาจากไหนเมื่อกําหนดรู้แล้วรู้แล้วนันคือทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนสมุดไทยสมุดไทยเหตุให้เกิดทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านเขียนแผนที่เอาไว้ชี้ให้พวกเราเห็นมีอยู่สามการมตัณหา ความทะเยอทะยานในกามความรักความชอบความใคร่ความพอใจภาวะตัณหาความอยากเป็นนู้นอยากเป็นนี้อยากมียศถาบรรดาศักดิ์อยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากมีความสุขอันนี้แปลว่าความอยากวิภาวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นไม่อยากร้อนเกินไปไม่อยากหนาวเกินไปไม่อยากหิวไม่อยากกระหายไม่อยากทุกข์ไม่อยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตาย ไม่อยากจะมีความทุกข์ความไม่อยากตัวเนี้ยก็เป็นทุกข์ในใจเหมือนกันเหมือนกับคนกลัวตายเนี่ยสุขหรือทุกข์คนกลัวแก่อย่างเนี้ยสุขหรือทุกข์คนกลัวเจ็บอย่างนี้ยสุขหรือทุกข์ล้วนแล้วแต่ทุกข์ทางนั้นนี่แหละเป็นหนทางนว่าตัญหาสามการมตัญหาภวตัญหาวิภาฏตัญหาเป็นบอ่อเกิดแห่งความทุกข์ทุก่กําหนดรู้แต่ว่าสิ่งที่ไปหาทุกข์ตัวเนี้ยตัญหาตัวนี้พาไป จิตใจได้รับความทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์ระดับด้วยยังไงดับด้วยมรคมรคะโยพรนทางอย่างที่ว่านะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนะถ้าจะพิารณาดูแล้วมันขยักขย้อนพอสมควรนะในบาลีเนี่ยทุกกําหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธความดับทุกข์มรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ตามเป็นจริงทุกกําหนดรู้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ ตัวหาสาเหตุและก็มักจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันทุกข์แล้วเมื่อแก้ไขจบแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะเกิดขึ้นอันนี้คือปริยสัตว์สี่ทายเพ่งให้พิจารณาแบบง่ายๆด้วยว่ามองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาเนี่ยทุกเป็นเครื่องกำหนดรู้สมุทัยทั้งสามอย่างเหตุแห่งทุกข์ที่จะมาสู่ใจ เหตุให้เกิดทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรอยกตัวอย่างให้ง่ายๆก็สมมุติว่าเรามีร่างกายมันปวดฝ่าเท้าแต่ที่เราก็ไม่รู้ว่าฝ่าเท้ามันเป็นอะไรแต่ดูแล้วเออมันเป็นหนามหนามมันต่ำเข้ามาในฝ่าเท้าหนามในฝ่าเท้าเราจะเปรียบเทียบพว่าการมรรทฐานภวะตันหาวิภวะตันหานหนามสามเล่มนี่มันต่ำอยู่ในฝ่าเท้าของเราแต่นี้เราจะทํำยังไงเมื่อหนามมันต่ำเข้าไปแล้ว เราก็ต้องหาวิธีหาเข็มทามันพอจะใช้เข็มได้แล้วก็ใช้เข็มบ่งน้าออกอันนี้คือมักหาวิธีที่จะบ่งน้าตอนนี้ออกให้ได้ในเมื่อเอาน้าออกได้แล้วนโรดคือความดับทุกข์ใจของเราก็สบายกายของเราก็สบายเพราะว่าน้ามันออกจากร่างแล้วเนี่ยอันนี้คือยกตัวอย่างให้ง่ายๆเรื่องปริยสัตสีเป็นธรรมหัวใจของพุทธศาสนาเหมือนกัน สติปฐานสี่มรรแปดไตรลักษ์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี่ล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่จะจัดการกับกิเลสในใจของเราคือราคะโทสะโมหะให้กระเด็นกระดอนออกไปแต่ว่าการใช้ใช้ต่างกรรมต่างวาระตรงไหนจะพิจารณาอย่างไรอย่างทุกกำหนดรู้ทุกขังอันิจังของไม่เที่ยงสิ่งไหนที่ไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเว่าเป็นอนัตตา อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราอันนี้ก็คือธรรมะฝ่ายปฏิบัติที่ครูบายจาันท่านเอามาสั่งสอนพวกเรานนะ่ะเนี่ยตัวแล้วแต่อย่างเนี่ยอย่างสติปัฏฐานสีอย่างเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมกําหนดกายเป็นยังไงร่างกายนี่มีอะไรบ้างพิจารณาแยกแยะแบบแยกส่วนแบ่งส่วนดูร่างกายมีอะไรตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้า มันล้วนแล้วจะเป็นของอสุภะปฏิกูลมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกทางในก็มีแต่อุจจละปัสวะมีน้ําเลือดมีน้ําอะไรเต็มไปหมดมีกระดูกอันนี้คือร่างกายกําหนดลมหายใจเข้าออกกับเหมือนกับปีนากายเหมือนกันนะกําหนดรู ก, กายพอลมเป็นอะไรก็เป็นกายหรืว่ากรรมาฐานยุบหนาะพองหนาะก็คือกายกําหนดตรงเข้าไปถึงเะดเดออะไรลักษณะนี้นก็คือกายทางว่า นักปฏิบัติหรือว่านักศึกษาที่ได้ศึกษารู้แนวทางรอบรู้แล้วเนี่ยถึงใครจะพูดในลักษณะไหนก็ตามก็เข้าครสติปัฏฐานสี่ตลอดแต่ถ้าว่าพู้ศึกษาน้อยเนี่ยมองไปมุมเดียวหรือมองไปในแง่เดียวเขาบอกยังไงก็เชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงๆแต่ที่แท้ก็อยู่ในกรอบของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเพราะนั้น การศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วก็พยายามมองให้กว้างให้ไกลแล้วก็ตีความหมายเข้าสู่จิตใจของเราแต่ถึงยังไงก็ตามสรุปลงได้ว่า เ, เหมือนกระเวอย่างเขาพูดพวกเรากำลังหิวอาหารแต่มาพูดพูยเรื่องอาหารไม่สามารถที่จะกำจัดความหิวได้ชั้นใดพวกเรามีแต่สนทนาพูดกันเรื่องธรรมะแต่ไม่ได้นามาปฏิบัติ ก็ไม่สามารถที่จะกำจัดกิเลสภายในใจของเราได้ฉันนั้นอันนี้เป็นคำคมอย่างนั้นจริงๆคนที่หิวอาหารมาพูดเรื่องอาหารไม่ไม่กําจัดความหิวเนะี่ยกจัดความหิวไม่ได้แต่ว่าพวกเราพอพูดถึงเรื่องอาหารกระจัดอาหารมาทานมันก็จริงจะกําจัดความหิวได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันมีแต่มาพูดเรื่องธรรมะทางทฤษฎีก็ไม่สามารถที่จะกําจัด กิเลสภายในใจของเราออกไปได้เพราะนั้นพวกเราทุกท่านควรจกศึกษาและก็นำมาประพฤติธปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบวชเก่าผู้จะมุ่งเน้นทางพ้นทุกข์การภาวนาในเรื่องความตายกับอสุภะเนี่ยไม่ควรจะให้ห่างจากจิตใจควรจะเป็นเบรกห้ามล้อไว้อยู่เสมอทำสองข้อนถึงจะภาวนาพุทโธธรมโมสังโฆอะไรก็ตาม แต่ว่าเรื่องอสุภะก็ดีความตายก็ดีเนี่ยควรจะมีประจําใจอยู่ตลอดเวลาถ้ารถมันจะวิ่งเตลิดเปิดเปิงเนี่ยนะอสุภะกับมราณะาเนี่ยเบรกทําเบรกให้มันเลยถ้าท่านผู้ใดก็ตามถ้าเห็นความตายของตนเองอยู่ตลอดเวลาหรือว่าเห็นความตายอยู่บ่อยๆแล้วลึกถึงความตายตัวเองอยู่เสมอความหลงความลื่นเลงบันเทิงของกิเลสนั้น มันจะไม่ออกมาเพ่นพ่านจนทําให้ตัวเองและคนอื่นเห็นใครๆว่าวเมื่อพินาถึงความตายในความรู้เท่ารู้ทันรู้มันรู้ตัวรู้การเป็นอยู่ของตนเองรู้จักการปรับปรุงแก้ไขว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะจากไปวันไหนนะอันนี้ใครๆว่าวเป็นการทบทวนเป็นการ ก, ารกลั่นกรองไตร่ตรองนิส ม, มัคระนังเสยโยไขยควรทบทวนในการเป็นอยู่ของตนเองผมว่า กิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยสยบลงไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าคนไม่ระลึกถึงความตายนั่นน่ะมีสองขาไม่ยังไม่พอแนละ้ยังมีคานลงไปเหมือนสัตว์อีก อ, อ่มันยังไม่อยู่เอาออกถูพี่อีกมันปานขนาดนั้นแหละกิเลสมันกระเสือกกระสนมุนวายแต่ถ้าว่าระลึกถึงความตายแล้วผมว่าเนี่ยมันเบาไประดับหนึ่งจากนั้นก็พีนาสุภระร่างกายของเราแยกส่วนแบ่งส่วนดู ตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าพิจารณาตัวเองหรือพิจารณาออกนอกเปรียบเทียบเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในพิจารณากายเขากายเราอันดับแรกคือพิจารณาเราซะก่อนพิจารณาร่างกายของเราซะก่อนให้เห็นอสุภะปฏิกูลแยกส่วนแบ่งส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้ามีอะไรบ้างหรือเราจะพิจารณาเป็นกระดูกอย่างเดียวก็ได้เพราะในร่างกายของเรามีกระดูกจริงๆ หรือเราจะพิจารณาเอาแต่เนื้ออย่างเดียวก็ได้เอาต่กอนเนื้อเนื้อลำลำเนื้อขาเนื้อแขนเนื้อสันหลังอเนื้อตรงไหนที่เป็นเนื้อเอาออกมาหรือจะพิจารณาถึงอวัยวะบางส่วนอย่างพกตับปอดอวัยวะภายในของเราลำไส้กระเพาะเราก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการแยกส่วนแบ่งส่วนถ้าเห็นอสุภาษิตหรือเห็นร่างกายตัวเองเป็นอย่างนี้แล้ว เราจะสั่งสมเก็บเงินคำทรัพสมบัติหรือว่าโลภโหโมกณะยศถาบรรดาศัก์อะไรเข้ามาเนี่ยเราเอามาเพื่อใครในเมื่อเห็นอสุภาอย่างนี้แล้วผมว่าตัดกิเลสไปอีกได้อย่างมากทีเดียวทีนี้ผู้ปฏิบัติที่จะดูกิเลสที่หลวงตาท่านย้ำว่าเนี่ยคือการมราคะกับอวิชชาจะผ่านด้วยวิธีอย่างไรแต่ตามจริงอสุภาถ้าจะว่าไปแล้ว เราเป็นผู้ให้ความสําคัญกับสิ่งภายนอกและสิ่งภายในของเราอันดับแรกคือให้ความสําคัญภายในใจของเราก่อนภายในของเราก่อนเห็นร่างกายของเราเราก็ให้ความสําคัญจากนั้นเราเห็นภายนอกเราก็ให้ความสําคัญภายนอกอีกทีนี้ถ้าหาว่าดูทั้งภายนอกดูทั้งภายในใจของเราไปให้ความสําคัญในสิ่งเหล่านั้นไปเห็นสุภาก็ดีไปเห็นอสุภาก็ดีที่มองออกไปข้างนอกเราให้ความสําคัญ แต่ถ้าว่าเราเพิจารณาให้ถึงที่แล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วตัวของเราเนี่ยไปให้ความสำคัญเขาเกินไปแต่เนี่มันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองพอมาถึงตัวเองเหมือนกับเราแก้เสื้อออกแล้วทีนี้ให้เข้าว่าเราไปให้ความสำคัญในสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เราไปให้ความสำคัญเออกิเลสไปในใจใจของเราไปให้ความสาคัญในสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงสาคัญขึ้นมา ในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันปล่อยวางที่ใจได้บาดเนี่ยมันรู้แล้วมันเหมือนปล่อยวางที่ใจมันรู้ที่ใจอนะเหมือนกับเราทีแรกเราก็พยายามอ่านเขียนกอไก่ขอไขนะ่เ่ยเขียนยังไงทำโค้งๆต่อมาก็เขาจับให้เขียนจงอยปากข้อมันเป็นกอไก่ต่อไปเขียนยังไงก็ได้ทีนี้เขียนออกไปก็เป็นกอไก่ลักษณะกอไก่รู้เลยโค้ง ๆ, ๆไปเป็นกอไก่ ไในเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี่ก่อไก่ขอไข่ก่อกวดขอกวายเราจําได้เรารู้ได้ในแหละท่านนี้ความรู้ตัวนี้แหละมันจะลบเลือนยังไงท่นนี้มันลบเลือนไม่ได้เพราะเรารู้แล้วในขณะนี้อันนั้นก็เหมือนกันนั่นแหะเราเพียรณาสุภาษณ์ในเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นมันรู้แล้วมันก็ปล่อยวางท่นี้ <S <S คล้ายว่าความฉลาดรู้ความโง่รู้ความหลง เหมือนกับพระอาทิตย์มันขึ้นมามันกำจัดความมืดชั้นใดปัญญาของเราหรือธรรมะที่เกิดจากใจของเรารู้กิเลสภายในใจของเราก็จฉันนั่นแ่ะมันรู้อยู่ที่นั่นก่อนที่จะฉลาดขึ้นมาใดมันก็โง่ซะก่อนแต่เราต้องใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้สติปัญญาแบบเข้มงวดตัวอย่างที่หลวงตาท่านพูดมหาสติมหาปัญญาอันนี้ท่านพูดได้ดีมากเลย แค่ว่าปัญญาที่ว่าหมุนติ้วแล้วงั้นไม่มีช่องว่างที่จะให้กิเลสตัวไหนแทรกเข้ามาได้พรฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มมีตั้งแต่ศีลตั้งแต่สมาธิทำใจยังไงปัญญาเพียรนายังไงถึงจะหลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะถ้าพวกเรามีความพยายามอยู่ไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแนหะ ต้องรู้แจ้งเห็นจริงแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยแล้วผมว่านะ